จดามคําที่แนะออย่างเดียวจิตใจผ่องใจดจําจิตไม่ป่อยเลยความสงบสบายแล้วปล่อยไปตามเรื่องกําหนดจิต่นั้นมันจะจําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของความจําเราให้จิตของเราสงบจิตของเราสบายเพียงพอ ธรรมาสองพระพุทธเจ้าตรงๆปัจจัยใน ม, มีอะไรที่จะดีฤทธิ์เท่ากันกับธรรมาสองพระพุทธเจ้าการกำจัดที่เละนักประปฏิบัติจะเป็นคั้ัเหตหรือนักบวชที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อจะกําจัดที่เละคือความเต่าหมองของใจ คยมาทำหน้าที่อื่นยิ่งเป็นนักบวชก็ยิ่งเป็นอย่างสาคัญเพราะนักบวชนั้นหน้าที่ของนักบวชโดยส่วนใหญ่บวชเพื่อแก้ไขปรับปรุงจิตใจตลอดทั้งกายวาจาของตนเพราะศีลก็บ่งชัดอยู่แล้วในทางการจัดการั่ววัดใหญ่คือด่านกายด่านวาจาฮะ บวชมาไรักษาตายว่าจาของตัวก็เป็นพระไม่ได้พระสมมติอยู่กับศีลขาดศีลแล้วก็ขาดพระแต่พระดีมดุตเป็นพระทางใจจะบวชออกจากอุปชาอาจารย์หรือจะไม่บวชเป็นพระฤทธธรรมดาก็เป็นพระได้มีหมายถึง พรทางใจพาะวิมุตติพระสมุตติสมบวดมีภุกาสาอาจารย์มีคณะสงแล้วก็ตั้งแน่ศึกษาพระธรรมดินในรักษากายร า, าใจใจคงนนทนงดเลี้ยข้อจีสันแท่ทำตามขอาอนน้อจีสันอนุญาตในอย่างนั้นก็เป็นพระสมุติในดังเพราะทำเสื่อมเสีย ทาศีลไปส่วนเอาอาหารคือขาดจากที่สุก ไ, ได้เดียวกนันต้องรวมกายาจางส่วนใจคิดคิดเรื่องของธรรมในคิดเรื่องของศีลธรามเป็เรื่องของละเอียดมากสว่าเรื่องของศีลธรรมนั้นทุกท่านสาธุปฏิบัติได้ธรามละเอียดของธรรมนั่นแหละความละใจของตัวให้คนพระ <c oughs> จ, จับสมมติเป็นมิมดส่วนหน้าท่าสมุติบวดง่ายทำง่ายแต่ท่าอีมดทำยากเาะเหตุใดเพราะใจของพวกเราท่านเอยติดสมุติเคยจิตกิเลสถ้าทำตามเหลื่องของกิเล ส, สมันง่ายมันสบายไม่มีอะไรหุนลายขัดขอ้อเพราะใจนั้นชอบอยู่แล้วยินดีอยู่แล้ว ก็จะทำตามเดือนท้อง ท, งทำมั่นขัดกับกิเลสขัดกับใจตัวเองเพราะนั้นจิน ด, ดังทับบัญชา <c oughs> ตายวาจาใจท้องตัวเขาห้อาอัดห้าทเอาทำเข้ามาฮเร า, าเรามีกิเลสออ ม, มาอยากจะทำคิดพูดคิดคิดชั่วไปต่างๆทำเื่อให้น้อม <c oughs> ใจของเราเ้าไปห้าจจท แต่เรานอในอมจิตใจของเราต่อหาธรรมใจของในในในเราเป็นธรรมใจของเราเยือกเย็นด้วยอาการมีสติกำกับรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเองสติในสอยสิ่งไปทุกระยะเวลาให้ระลึกมีสติประจาตัวอยู่สม่ำเสมอระลึกนึกอยู่ด้วยสติ มีสัญญาแต่เราเป็นสมัมนณนะที่จำได้อยู่ทุกการทุกเวลาจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็ให้สังวรรักษาใทีพิจารณาตัวของตัวว่าเยวนนี้เพศของเราเป็นเพศที่เราเสภปรช า, าคนที่เหลื่อมใสในพุทธศาสนาม่ว่าจะพูดใหญ่เด็กเล็ดเด่นเขาก็รู้จักกับเป็นชัก สามารถฝ่าวา ย, ยินดีเรื่มใสในเพศของสมณะคือเพศของพระแต่จิตใจหรือการกระทำการพูดของเราเป็นสมณะเป็นพระหรื อ, อย่างถ้าเรามีสมณะสัญญาคือละเลิกเลิกบ้าอยู่สม่ำเสมอการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วของตัวก็จะน้อยลงไปหรือหมดออกไป เพราะเี่ยงใดที่จะนำมาถึงความเสียหายต่อตัวเองและพระพุทธศาสนาต้องสังวรรักษาเพื่อความเจริญสิ่งมงคลแก่จนของค น, นงคนที่ต้องรวมระวังรักษาศีนของตัวมีสมณสัญญาในคำทั่วผูดชั่วต่างๆถึงคนนั้นจิตใจของท่านจะไม่สลาวถึงไปสู่อีมุตที่สุด ของพระพุทธศาสานาต่อตามโดยอำนาจศีลที่รักษามีสติสัญญาแงสอนตัวอยู่เสมองานหงานตาคนเห็นเกิดศัทธาอยากสาบว่าทาบุญเพราะท่านมีการเข้าร่วมระวังท่านในศีลของอท่านบะริสุทธิ์ที่สลายหนึ่งงานในบุญสนคือศีลศีลตัจริงๆลาวเป็นสิ่งที่ประดับ ของนักบวชระหว่างนักบวชพราเรือหัาสตก่อตามถานมีีนประดับตัวของชายเท่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวหรือคนแก่คนนั้นก่อเป็นที่นิยมชมชอบของคนดีทั่วไปเพราะคนที่มีศีนเป็นเครื่องประดับจะไปที่ไหนก็เป็นที่ไห่เนื้อเชื่อใจของคนอื่นในทำผิดพูดผิด อยสถานที่ใดในทําความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นนีนจึเป็นเรืเ่องสําคัญที่ทุกท่านควรพิจะะารณาเฉพาะอย่างยิ่นักบวชตัวต้องรักษาอย่างเสงบขวดขันรักษาเสมอตัดชีวิตและยิ่งกว่าชีวิตของตัวถ้าเขาบังคับให้ทําชั่วตายเสียดีกว่าการจะไปทําชั่วเพราะกรรมชั่วที่เราทําไป เราตายไปแล้วถ้าเราไม่ไปทําำจำชั่วหนันนั้นจะไม่แลลดเผาให้เราให้รับเพราะจำต่างๆในครั้งหน้ห า, าเราไปทําเข้าทีวิตของเรายังอยู่ก็อผู้รู้ทั่วไปว่าจำหนึ่งว่าเป็นคนตั่วคนเสียอย่างนั้นอย่างนี้ตัวของตัวเองคิดขึ้นตัวดุดร้อนแผละเผาว่าเราทําไมได้ทําแบบนั้นไต่ส ง, งควรเลยเสด็จของเราเป็นเสด็จของสมณนะ ควรจะต้องควรรักษาเราเห็นตัวที่เหลือปัญหาเราเสื่อเลยเลืมหลงเขื่อท้องตัวจึงไปทำาชั่วนคิดเ่วต่างๆมีสติที่มีสื่เจรน า, าตัวสอนตัวอยู่อย่างนั้นขันติมนมีการทำาชั่วนทั้งที่รับและที่แก้งผู้ที่เป็นสมณะผู้ที่เนพระประเสริฐประเจริฐระเส ร, เสรธรรมดาะราชา ก็ยังฝาบ้ะเราธรรมาดาสามันชนโดยส่วนใหญ่ใ้รล่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมาสาบมาหว่หนอกจากเราไปสาบไปว่าเขาเขาจ ะ, จะยกมือตอบท่านั้นเหตพระที่มีศีลบริสุดมีจิตเป็นอักเป็นธรรมไรเสดวิเศ ษ, เศ ษ, เศษยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปผู้ที่เรื่อมใส่พระพุทธศาสนา เทรารบคารวะยินดียกย่องสละเสริมหน้าที่ของพระหรือเศษของสมณนนะยินเป็นเศษขีไดไรเซอร์หรือเศษยิ่งกว่าเศษขั่วไปเราควรสอนใจของเราให้ตั้งวรละวังในศีลของตัวอย่าไปทำชั่วผูดชั่วติดชั่วต่างๆสมณนะ ปลยยอมเสียสละทุกอย่างเขามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่มีสิที่จะมีที่ดินหรือมีบ้านมีเรียนอะไรกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเราเสียสละมาทางนั้นภายนอกเราเสียสละมาได้ในเสียสละภายในอีกคือเสียสละกามคิดปรุงอารมณ์สัญญาต่างๆที่เราเคย ติดข้องปวันให้หมดใจจากใจทำตัวให้สบายอยู่ง่ายสะดวกยิ่งจะเป็นพระภีนาส่าบาเป็นพระที่หน้าบูชาหมายความว่าเราบวชมาสึษาษา่นพระพุทธศาสนาสึ่นสีลสึ่งธรรมของตัวได้อะไรมาก็กลบฉันได้อยู่สัมพานที่ได้ก็สะดวกสบายไม่ต้องคิด เดี่ยวของับปุงเรื่องทางนอกปรับปรุงจิตใจของตัวเองแห่ละชั่วบำเพ็ญดีใส่มีอัตมีธรรมมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความรู้ความเห็นแจมใสชัดเจนวิ่เลยตันหาที่เลยนำพาจิตใจให้ปุงป่งปรุงต่างๆตกำจัดออกไปด้วยอำนาจของศีลของธรรมของสติของปัญญา รักษาจิตของตัวอยู่สม่ำเสมอในคิดไปในทางชั่วพยายามบังคับใจให้ปต่ทำความเทียยโมุ่ง ม, มัน่นทีนิ้พิจารณาธาตุขันให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงของมันว่าธาตุันอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรความยึดถือของใจว่าเราว่าเขา มันเป็นของยิงหรือยังยิงไปเยึบถือมันที่เจ้าน่ะให้รู้ให้เข้าใจเราขาดขันของตัวมีสติกําหนดตาอยู่สม่สมสมําเสมอเหยียดตายายรู้ปัชนาสติปัฏฐานจะให้คิดคิดจุง้งไปเรื่องนอกเมื่อเราเราเกี่ยวข้องเรื่องนอกนี่ไงทําการงานคือความเพียรภายในเอาใจชุดอ่านด่วน ตายท้องตัวเห้ปวดถึงทุกสิ่งทุกส่วนว่าตายอันนี้มีอะไรผสมกันอยู่ช่วยเหียบว่าตายและตายอันนี้เขามีความหมายแค่ไหนมีอะไรที่เขารับรองว่าเป็นของท้องตัวที่นี้ที่เจ้านาให้เข้าใจทีเจ้านาให้แว่มใสที่เจ้านาให้ชัดเกนินเมืองจิตกำหนดที่เจ้านาอยู่บ่อยทำรู้ความเห็นขอ <c oughs> งจิต ที่คยติดข้องยินดีต่างๆจะคอยถ อ, ถอนขึ้นเพราะเหตุใดเพราะการที่เจรนาภายในสามารถจีบชำระี่เหล่อปัญหาคืเไปติดข้องหมองใจยินดีในรูปต่างๆที่ตัวเคยยึดถือพระพุทธเจ้ า, าก็าดีสาวกกว็ดีเคยสอนมาเคยิจรนามาได้รับประโยชน์คือความรู้เห็นแจ่มไส ชัดเจนว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปยิ่งกว่าจิตมีจิตอันเดียวเท่านั้นลุ่มหลงเมื่อมนตนอนท่าการยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปจะหากล่องจิรทัพมาส่องดูว่าจิตมันคิดมันฟึงอะไรก็ไม่สามารถที่จะส่องดูได้นอกจากสตินอกจากปัญญาของตัวคือธรรมะของหรวงพ่อไตรจ่าเร า, เราที่นี้พีเจนใ ห, ให้ทั่วให้ถึงให้เข้าใจ เมื่อจิตเข้าใจยอมจำนนเชื่อมั่นในอัจในิยธรรมของท่านผูรู้คือพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ใจจฉะทจความสำนึกเบื่อหน่ายไม่ยินดีดจิตใจเถิดเถินตามพัญญาอารมณ์ต่างๆเห็นเรื่องของจิตที่เป็นคิดเป็นใยแก่ตัวทำให้รักให้ชอบให้โกรธให้โลภให้หลงต่างๆ เรายังไม่เห็นไม้มันอย่างนั้นอย่างนี้เหนือัอ้นยาอารมณ์เมือม่อมาเห็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรสิร่งเหล่านั้นเราไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนั้นเกิดมาแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแปรปวนเปลีย่ยนแปลงไปพระพุทธเจ้ารู้เข้าใจแับเปียนเห็นประจากอย่างนั้นท่าจริงเหนือสมมตนสมมต ไม่ยอมอยู่ยอมติดในภพในชาติหากจิตรู้เห็นเด่นไปจักมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดละถอนถ้าจำ ม, มาด้วยสัญญาละถอนไหนได้ใคาเห็นไปจักด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการสฏิบัติด้วยความเพียรทุ่งสนมันละมันถอนมันปล่อยมันวางสิงต่างๆที่เราเคยติดข้องเราเควรกําหนดให้รู้ให้เห็นให้ต่อใจชัดเจน ในตัวเองแต่จะไปเรียนเมื่อสำหรับตำราแบบแขนดูแต่ตัวของตัวเท่านั้นมันทั่วถึงไปหมดเพราะเหตุใดเพราะโรคโกหลงมันมีอยู่ในใจการละจึงละอยู่ที่ตัวของตัวในตกไปจด ใ, ใจจามาจากสำหรับตำราทีนี้ที่เจรนาะรู้เข้าใจในตัวคนเดียวก็ทั่วถึงทั้งโลก เพคนสัตมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันสมมติมันมากแต่จิตมารู้เห็นว่าสิ่นต่างๆที่เป็นรูปมันเหมือนกันหมดเป็นนามมันเหมือนกันหมดรูปประทับนามาทำเหมือนกันหมดไม่มีอะไรสิดแปลแตกต่างกันเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจะไปสงสัยที่ไหนในใจในใจทองตัวที่เจนาอยู่นี้ในใต้องเวิร์กวน โวคล่ อ, องเรื่องอืน่นเราพิจารณาอยู่นี้แหละสติของเราทําปัญญาของเรากวนขวางในกายเรีนาจิตธรรมของตัวอยู่สม่มําเสมอก็อเป็นอนันเรียนพระไตรี่ดกในตัวจบในการคิิดพิจรารณาจบในการละการถอนจะอานไม่ได้สักตัวก่อตามจิตใจของท่านคนนั้นจะเบิกบานส่องใสจิตใจของท่านคนนั้นจะในนี้อะไรตังวลต่อไป หมดเรื่องยุ่งเรื่งยงต่างต่างเพราะการขากเทียนพยายามศึกษาภายในในต่อไปเกี่ยวของตามตำรับําราชาวบ้านอย่างนั้นชาว่านอย่างนี้ไปหลงไปตามเมื่อเราคน้นในตัวของตัวเพียงคนเดียวรู้มาจากชัดเจนแล้วคนอื่นสัตว์อื่ น, นทั่วโลกมันเหมือนกันหมดมันหนึ่งมีอะไรที่ผิแตกต่างกันไป ขอให้พอใจชัดเจนในตัวของตัวเราคนที่ที่นี่พิจารณาละชั่วบําเพ็ญดีพิจารณาสติปัฏฐานอยู่ในตัวอย่างนั้นเป็นคนสบายทำไม่วุ่นวายเรื่องนอกถ้าเป็นพระก็เป็นพร ะ, น, ะน่าสาบน่าวายถึงจิตใจท่องท่านยังไม่พ้นไปจากโลกจากสงสารท่านก็มีการงานคือความเพียรที่นี่พิจารณาอยู่ติดต่อ มันมีเวลาวอกออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นท่านองค์นั้นหน้ากราบหน่าไหวน่าบูชายิ่งละยิ่งถอนที่เลยปัญหาออกจากใจความเห็นความเป็นของตัวเองก็ทราวบว่าเดี๋ยวนี้หยตดใจใน่อยนี้โอกาสเวลาที่จะไปเกี่ยวข้องอารมณ์สั้นยาภายนอกดูแต่เรื่องชั้นฐานภายในตรงขึ้นเมื่อใด้าถนาัด ด้วยสติทีนี่พิจารณาอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องออกไปทางนอกเหมือนก่อนเพราะสติเราเร็วปัญญาเราทันกับจิตของตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆซึ่งเราเคยทำเคยปลูดเคยคิดเมื่อจิตมันสัมผัสกับธรรมมันลอยไปเองวางไปเองทํางานอยู่นี้จะไปยุ่งอยู่นู้นมันไม่ได้ เราเป็นพระเราเป็นเนนเราเป็นนักปฏิบัติตองปฏิบัติตัวข้องตัวอย่าไปคิดข้างนอกจึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นเนนแท้ไม่เป็นพระเป็นเนนปลอมเป็นนักปฏิบัติแท้ไม่เป็นนักปฏิบัติปลอมมาอย่างนั้นปลอมเป็นพระเป็นเนนแต่เพียงเทศเป็นนักปฏิบัติแต่เพียงเทศทำท่าจิติยา วัดเขาวาจำํำศีลภาวนาแต่จิตใจฟุ้งฟุ้งไปในเรื่องที่เหลือปัญหาไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาแนะนตัวเองคนแบบนั้นจะปฏิบัติอยูุสถานที่ใดไม่ว่า จ, จะคนอื่นตัวของตัวเองก็เห็นโทษทำหนี้ทำท่าอย่างนั้นทำท่าอย่างนี้ทำท่าไปเถอะเป็นไปในน่าส่งรักษาใจของตัวด้วยสติสอนใจของตัวโดยปัญญาธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องแก้ไข ใจให้ผองใสใจให้สงบเมื่อมีใจผองใสใจ ส, สงบซึ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนแต่เรามาปฏิบัติเป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติหมั่นกำหนดอยู่สม่ำเสมอในอัดธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนําำสอนจิตใจแต่ก่อนเคยวุ่นวายทัดท่องเดี๋ยวนี้เกิดสงบลงรวมของจิต เ ง, งียบสงดไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องวุ่นวายตาเห็นรูปก็ไม่เป็นทิศเป็นทยนหูได้ยินเสียงก็ไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนจิตใจทั้งตัเพอเราพิจารณาทำเกี่ยวข้องทำเป็นคนตาบอดหูหนวกไปเสียก่อนเบื้องต้นที่จะให้จิตส ง, งบจิตสบายพอได้กำลังด้วยสติด้วยปัญญาเนจิต ตั้งมันไม่หวั่นไหวจิตรวมรวมเป็นช้างเป็นลาที่เราฝึกหัดปฏิบัติตัวพร้อมขึ้นมาอยากจะพิจารณาอะไรพิจารณาไปได้ลืมได้ตาพิจรณาิ่งต่งางๆแทนที่จะไปลุ่มหลงติดข้องอย่างแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นกลับเกิดสลดตั้งเรียทเกิดปติเกิดปัญญาเกิดวิชาวิมุติเทราความรู้ความเห็น ในสิ่งเหล่า น, นั้นสอนใจของเราพระพุทธเจ้าท่านนี้ครูมีอาจารย์ท่านก่ออาศัยการพิจรารณาในหลักธรรมซึ่งมันี้ใครสอนมาก่อนก่อสรางการพิจารณาจะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธศาสนาอะไรก่อตามการพิจรารณาถูกมันถูกด้วยกันนี่ท่านตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีใครมาแนะสอนท่านไม่มีศาสนาอะไรไม่มีครูอาจารย์องค์ใด ทีมาแนสอนท่านกับพิเจนาะเรื่องต่างๆของท่านที่เคยเป็นกษัตริกกรย์มาปกติพิเจณาแล้วอดเลื่อมไสศรัทธากับท่านไม่ได้พอระยะท่านออกหมวดพออายุเชียงหยีสิบเก้าปีกำลังเหอกําลังหลงกําลังเถิดกําลังเพลิน เ, เรื่องตายของท่านก็ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียบเดเบียนเท่าไรยิ่งเป็นกษัตริย์ คลองในสมบัติต่างๆมีภา ร, ระหน้าที่มากอยู่เหมือนกันไม่ใช่น้อยแต่อำนาจสติอานาจปัญญาของท่านพอเห็นคนแก่นาอมาภายในเราต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกันกบเขาถ้าไม่ตายเมื่อไรมันจะต้องแก่ไปพ่แน่ยปูยา่าตาทวดของเราเป็นอย่างไรเราจะเป็นอย่างนั้น เด็กเล็กแดงที่เกิดมาใหม่ๆหรือยังตั้งอยู่ในคันแต่เขาไม่ตายในคันเขาไม่ตายในตอนเป็นเด็กเขาก็จะเป็นตัอย่างนั้นเดินทางเดียวกันทั่วโลกเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครที่จะหนีไปได้จะต้องแบ่เหมือนกันหมดท่านสลดสังเวชบังคับบัญชาสาฟ้าสายชาชนทั่วไปบังคับได้แต่บังคับกายไม่เหี่ยบบังคับไม่ได้ บังคับคนอื่นก็ไม่ได้บังคับตัวเองก็ไม่ได้จะมาลุ่มหลงเถิดเชิญอยู่ทําไมแก่แล้วยังไหม็นแล้วยังเอาเทียมมาให้การเทียมไข้ถึงจะมีหยกยาเจ็บเป็นหมอรักษาขนาดไหนพอยังมีจะเอาชนะการป่วยไข้เป็นไปไม่ได้ทุกลายไปจะต้องมีการป่วยไข้เมื่อป่วยไข้เข้าของเงินทองสมบัติทัดสฐานมากน้อยขนาดไหน ช่วยได้ไหมมีความสุขไหมในสมบัติแบบนั้นจะนอนสถานที่ดีเด่นขนาดไห น, นมันก็ไม่สุกไม่สบายให้จะ น, นั่งอะไรมันก็ไม่สบายยืนถ้าหนักเข่าก็ไม่ได้นั่งก็ยังไม่ได้แขนขาจะยกขึ้นก็ไม่ได้นี่เจอือปว่วยน่ะมันลําบากแล้วอะไรมาช่วยได้เอาเงินเอาทอ ง, อ, าองเอากระเปาของมาให้มันมีความสุขความสบายไหม มันสุกไม่ได้สบายในเป็นเพราะมันป่วยมีจิตที่ยังไม่มีอาบมีทำมันเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเหหันกลัวเรื่องตัวจะตายเพราะไม่สาบว่าตายไปนี้จะไปเกิดเป็นอะไรมืดแดบได้าง่ทราบว่าจะไปที่ไหนกลัวความตายใหญ่โตเด่นลนนสบายวิ่งฮะ แค่หาหมอมารักษาอยากจะหายใจทั้งตัวหายจากโรคไัยไข้เจ็บแต่ถ้าหากโรคห้องรมที่เคยทำไว้มันก็ไม่มีหายหรือถึงหายเรื่องโรคห้องใจหายโรคนี้จะมีโรคใหม่ไม่อย่างนั้นมันก็เม็ น, นถึงตายพระพุทธเจ้าสมัยเป็นโยมเป็นฆราวาสท่านนำมาที่นิ้พิจารณาเรื่องการป่วยไข้ต่างๆท่านจึงสลดทั้งเหต เบื่อด้จิตในใจยิ่งไปเห็นคนตายเขา้าก็ยิ่งไปใหญ่การที่เณาความแฉความเจ็บความตายของพระพุทธเจ้าทำใจให้สงบได้ไม่เพิดเชินไม่มัวเมาไม่ติดขอ้อจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนสมมุติต่างหาความเป็นเพียงเหมือนกันหมดราษฎรกับพระราชาแกะเจ็บตายเหมือนกันไม่มีอะไรที่แปกกันท่านรู้ท่านเข้าใจอย่างนั้นจะมาเพิดเชินทําไม หลงไหลทำไมอยู่อย่างนี้ก็มีหน้าที่คิดอ่านดูแลรักษาไ่ฟ้าประชาชนมาอย่างนั้นก็ดูแลเขาไม่ถวกถึงเขากกจะเจตจำนงว่าเป็นผูหลากผู้ใหญ่ไม่เอาใจใส่ปกครองราดตอดเราอยู่ในสถานที่นี้ในปร า, น า, างสาลาสวรรค์ไม่มีโอกาสเวลาที่จะภาวนาให้รู้ให้ท้อใจทางหนีจากทุกได้เราควรอย่างยิ่ง ท่านงนี้ไปโดยไปอำลาใครออกผนวกมีเรื่องของท่านคิดอย่างนั้นท่านจึงนี้ไปเมื่อ น, นี้ไปก็เอาใจใส่ฝึอกอบรมตัวเองโดยวิธีต่างๆจนได้ตัดสู้พระพุทธเจ้าท่านทาจริงไม่ได้ทเล่นท่านจึงเด็นาสาธกมาสอนพวกเราพวกเราเพียงเดินตามถนนที่ท่านวางเอาไว้ทำเอาไว้ ทำไมจะไปไมนได้ไปไห่ถึงทำอันอื่นทำได้เรียนอันอื่นเรียนจบมางานอันอื่นเคยทำมาจนมีชื่อเสียงเสียงนามใช้เขาก็ทราบว่าเราเป็นคนดีแต่จะมารักษาใจของตัวให้หาจากชั่วให้เป็นผู้ดีในตัวใื้สงบระงับมีปัญญาละถอนที่เหนเราจะรักษาไม่ได้เจ้ยหรือเราจะทำไม่ได้เจ้ยหรสอนตัวคองตัว หมุ่มันพยายามติดตามอยู่สม่ำเสมอ ส, สติปัญญาในลดละความเพียนในทอดถอยพยายามจะข้ามเรื่องของทุเลียตัญหาจะเอาชนะเรื่องโลภโกรธหลงสม่ำเสมอไปใจในนี้โอกาสไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกายในนี้เวลาจะไปทำงานภายนอกเพราะนักบวชที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมันสะดวกมันสบายการขบขัน อยู่จิมก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นเขาจะยัยงดูนุ่งห่มก็เป็นเรื่องหน้าที่ของคนอื่นที่ต้องการบุญเขาจะหามาให้ที่อยู่ที่อาศัยถ้าหากเราเนี่ยต้องการใหญ่โตเขาเลื่อมใสฝูปรงพืชดีปฏิบัติชอบไปอยู่สถานที่ใดยินดีเต็มใจจะสร้างให้แต่ระวังใจมันมักใหญ่ไ่สูงมันไม่มีเงืองเมืองพอขนาดนี้ยังอย่ได้ขนาดนั้นมันก็ไม่มีวันมีเวลาจําเป็น ต้องเด็กแสวงหาเสร้างเองยุ่งเยอะไม่ดีโอกาสปับพุุงทางจิตใจของตัวใ้ดีดีถ้าหากเราคิดสอนตัวพวงเราชีวิตของนักบวชเป็นอยู่เด็คนอื่นทำตัวให้เลี่ยงง่ายไม่วุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ใจแสี่สำละกีิเลตันหาออกจากใจมันสบายแสนสบาย คพอสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของทสลี่ยดความฟุ้งกลวงของใจมากใหญ่ใส่สูงแต่ก็ไม่ได้อะไรคิดไปก็ยิ่งเป็นทุกข์คิดไปก็ยิ่งกังวลเป็นเรื่องหลอกลวงวิ่งตามเงาไม่มีเวลาจะทันมันพอเราวิ่งเงามันก็วิ่งตามอยู่อย่างนั้นพยายามสอนใจค้องตัวพยายามปรับปลุ่มตัวค้องตัวใส่เป็นพะใส่เป็นเนนใส่เป็นสมณะใส่เป็นผูกประเสริฐธรรมประ ประเสริฐเสริฐอย่างไรคือเ่าลุ่มเขาหลงเขาติดเ้าคล้องเขาเดือดร้อนวุ่นวายแต่พระอันแท้จริงไม่เป็นอย่างนั้นท่านอยู่สบายกินอะไรทานอะไรฉันอะไรก็พออยู่ได้หนุ่งห่มอะไรก็พอลุ่งห่มได้ไม่มากใหญ่ใส่สูงจิตใจ เ, ย, เยือกเย็นจิตใจเป็นธรรม ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องให่จิตใจเศร้าหมองให่จิตใจขุ่นมัวให่จิตใจเร่าร้อนนี่คือพระประเสิดเขาติดคล่องเราไม่จิดคล่องเขาลุ่มหลงเราไม่ลุมหลงเขาเดือดร้อนเราไม่รุมเดือดร้อนตามเขาจึงเรียกว่าประเสิดประเสริฐกว่าเขาเขาจึงกราบไหวจึงบูชาสำไม น, นะคือสงบ สามัญเรียนของเรากอของสมณะผู้หาความสงบผู้แสวงความสงบความสงบอย่าไปคิดไปมาไม่าจาจากตัวของตัวมีอยู่ในตัวของตัวเท่านั้นถ้าตัวไม่สงบไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะในป่าลึกขนาดไหนทาดีขนาดไหนใจก็ยังฟุ่งยังทรงอยู่คนเดียวก็เป็นพันๆถ้าพวกเพื่อนฟูงอยู่ในถ้ำในเขาไม่ไดไปที่ไหนก็เที่ยวทั่วไปรอบโลก เนื่คือใจเหนียมีอาจมีธรรมใจเหนียมีสติใจหนียมีปัญญาถ้าเป็นสมณะภายในมันใส่คิดติดตามเรื่องของตัวอยู่่ําเสมอนี่เจา้าน่ะอยู่ในวงของธรรมะใน 40, 40ปล่อยจิตคิดตรงเรื่องนอกคอยสงบไปสงบไปใจสงบสร้าความสบายความสบายเกิดจากความสงบความสุขเกิดจากความสงบ เรื่องท้าใจทุกคนมีมใช่ไหมว่ามีตาแก่สาพุทไทชาหรือสาวกพวกเราทุกคนมีความผูกพันคิดอ่านต่างๆ่าัวขาตัวเองใชยตำหนิตัวเองอยู่บอ่อยเพราะเรื่องไม่ดีมันมีขึ้นเคยเด็ดสรรเสริญตัวเองเคยชมเชยตัวเองว่าดีแล้วว่าเสิญแล้วเพราะจิตสงบพราจิตละถอนมีไหมถ้า ย, ยังไม่มีรีบต่างหน้าต่างตาต่อเพื่อปฏิบัติไม่เหลือวิสัย ทาของพระพุทธเจ้าสอนคนไมไ่สอนขัดอื่นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนทีน่ฝึกฝนตัวค้องท่นานละทั่วบาเพนดีวิเศษไรเสดเราก็คนหนึ่งถึงเป็นนักปฏิบัติควรจะปฏิบัติฝึกขั ด, ดตัวข้องตัวอย่าไปนอนใจตายใจม่าบวนแล้วก็ประเสริฐแล้วเข้ามาวันแล้วก็จะสงบเองที่เหลื จ, จะวิ่งหนีเองอย่าไปคิดอย่างนั้น โอกาสที่มาอยู่วัดอยู่ถ้ำอยู่เขาอยู่ป่าที่สงบสงัดก็หมายถึงว่าจิตใจของเราถามันติดข้องเรื่องต่างๆมากหูกว่าได้ยินตากว่าได้เห็นมันพุ่งมันปรุงมันคิดมันอ่านระวางรักษายากเพราะส ต, ติของเราปัญญาของเรายังไม่ป่ายังไม่แข็งพอฉะนั้นข้าจิงนสอนให้หาสถานที่วิเนศ ส, สงบสงัดเพื่อจะได้ไปฏิบัต ทันกับเหตุการณ์คิดอ่านอะไรจะได้แก้ไขเรื่องั่ว่ปรับปรุงเรื่องดีใส่เทคโนโลยขึ้นสถานที่จึงเป็นเรื่องสำคัญอำนวยความสะดวกให้อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นสปายะในกู่ประพฤติปฏิบัติถ้าเลยสอนสมชีสมห่าไปทิ่สถานที่ใดก็ไปฝึกหัดดัดใจเถอะไม่ยากไม่ลาบากตางกดในตลาดภาวนาหา ดูหมูดูไก่อยู่นะอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไดหรือจิตใจผันยิ่งสอนไล่ข้อในป่าไปเถอะลุกขมัวและเสนาสนั่หมายถึงไลงง่เข้อปาหาพรนะแก่กิเ่ยตันหาของตัวแต่เมื่อไปอยู่ในป่าเลยต้องตั้งหน้าการทาบำทําเพ็ญเราเลึดเล็ดถึงพระพุทธเจ้าหรือสาวกที่เคยปฏิบัติมาไม่ใช่ง่ายสะดวกสบายทุกทขันไปบางท่านบางองค์เดินจง ก, กรมจนเท้า ทัานแตกอดตาหลับขับตานอนและยอมทักผ่อนจนตาแตกว่ามีเพื่อความดีท่านทำฉากลําบากขนาดนั้นเราขนาดไหนเียงไปทอดผอยกว่าเรานี้ว่บาดขนาน้อยไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้กว่าเพราะเราทํายังไม่ถึงเมื่อเราทําถึงมันจะเหลือวิสัยไปที่ไหนคนที่ได้ความสุขจึงอาจจึงทำจริงจังเป็นพระเป็นที่มันประเสริฐใครจะมากล่าวว่า การ บ, บูชาก่อตามใครจะต้องหนีสิเตียนสิเสียนธาขั่วโลกก่อตามจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจไม่เอ็นเอียงจิตใจไม่หลงลืมในความมีความวิเศษของตัวนั่นเป็นลมปากของเขาไม่ได้แต่คุกงาเหมือนแต่ก่อนมันแสนสุกมันแสนสบายในห่วงไม่ห่วงอะไรกระทั่งถึงร่างกายของตัวพอได้ที่เจ้านายทาย ชัดเจนแล้วสิ่งที่เราต้องกา ร, รสิ่พระพุทธเจ้าแนะนำพระพุทธเจ้าพบหรือสาวกพบเป็นอย่างไรประจากในใจไปต่อไปตาถามใครความสุขความสงบความหลุดพร้อมเป็นอย่างไรประจากอยู่แล้วอยู่ก็ต า, ามตายก็ต า, ามมีคุณค่าเสมอกันเพราะเหตุใดเพราะไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นจะเสียไปสิ่งที่เราต้องการรู้เห็นเด่นชัดแล้วไม่มีอะไรเสียใจ มันสะดวกมันสบายได้เป็นพระเจ้าจากกาักรพรรดิราชก็ไม่ประเสริฐลิเศษเท่ากับจิต ท, ที่หมดกิเลสปัญหาซพ่งที่นี้พิจาจนาคพึ่งสอนใจของตัวและถั่วบาเพ็ญดีให้เป็นพระให้เป็นเนรให้เป็นนักปฏิบัติอย่าเป็นแต่ยังเทศเท่านั้นซึ่งไมนเป็นของลำบากยากเย็นใครทำเอกาก็ได้ให้ใจมันเต็ไปด้วย ใจจะเป็นไปเพราะเพราะอาศัยศีลสมาธิปัญญาจึงจะเกิดนิขาดีมุดถ้าหากเดินตีโอกจากทางของศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีเวลาที่จะประสบพบเห็นความเยือกเย็นความขุนทุกข์ได้แต่นั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสเวลามาประฏิบัติจะเป็นครือหัดหรือทิสุตามเนรนกว่าตามซึงที่นี้ที่ใจนาฝึก ส, สอนจิตใจท่องตนมัน กำหนดสติมีปัญญาพิจารณาภายในขับไล่ความปูงคิดติดข้องต่างๆให้ตกออกไปให้จิตของเราติตอยู่ในอัดในธรรมคํามสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสงบและให้มีปัญญาพิจารณาทางอัดธรรมเพื่อละถอนกิเลสอย่าพิจารณาไปในทางสิเลสปัญหาจะทําใจให้วุ่นวายยุ่งเหยิงต่อไปฉะนั้นเมื่อพวกทฉัน ได้สดับรับฟังโอวาทที่ได้ที่บายมาขอจงนําไป f ิ n i s h เจนากำหนดรักษาจิตของตนด้วยสติปัญญาก็จะมีแต่ความสงบสุขถึงถึงความมุ่งหวังของตนการอธิบายธรรมะขอเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพอาะยุติเฉยเฉยเลยครับ